พระธรรมาเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่10โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16กุมภาพันธ์2558มีชื่อเรื่องว่าปฏิ ป, ปทาไม่พาธรรมเหรียญ หลวงพ่อเพิ่งขึ้นมาเมื่อวานเนี่ย <c oughs> และจะบอกให้ลูกหลานพระเนนศรัทธาญาติโยมไดรับทราบเออหลวงพ่อไปที่ไหนบ้างฮหลวงพ่อออกจากวัดวันที่สิบสามวันที่สิบสามหลวงพ่อเดินทางลงไปพไปขึ้นเครื่องที่อุดร แล้วก็ลงภูเก็ตเลยนะบินยาวเลยนั่งเครื่องจากุูรภูเก็ตใช้เวลาชั่วโมงกับห้าสิบนาทีถึงภูเก็ตพอถึงภูเก็ตคณะจัดทาญาติโยมลูกหลานทางนู้นเขาก็มาต้อนรับขับสู้อยู่ที่ <c oughs> ห้องว i p อห้องวีพีก็เลยมาพูดกัน ว่าพ่อของท่านคูบาเวกที่วัดไม้ขาวอ <c oughs> ได้มรณะลงไปอย่าประชุมเพลิงวันที่สิบสี่ลงพ่อลงไปวันที่สิบสามท่านเวกก็เคยมาอยู่ที่วัดของเราหลวงพ่อถาม ว, ว่าเวกเคยไปอยู่วัดนาคําน้อยกี่ปีบอกว่าเก้าปีครับโอ้มาอยู่ที่นี่ไม่ไม่เคยไปไหนอยู่ที่นี่เก้าปี <c oughs> อยู่ที่วัดนาคำน้อยตอนี้นก็พอหลวงพอ่อวัดไม้ขาวมรณะภาพลงไปทางท่านอาจารย์เขียวที่เป็นพระเป็นลูกศิษย์ก็เลยเห็นว่าท่านเวกพอมีอายุพัรษาสมควรที่จะไปดูแลรักษาวัดแทนพระอาจารย์ได้ก็เลยนิมนต์ท่าน เวกลงไปมาขอกับหลวงพอ่อหลวงพอ่อเออเอ า, เ, อ า, เ, อาเหตุว่าจะเกิดประโยชน์เอาไปเบรกก็นิสัยดีอยู่นิสัยเรียบร้อยจากนั้นก็ท่านก็ไปลงไปอยู่ที่นี่แหละจังหวัดภูเก็ตพอลงไปคราวนี้ท่านทราบข่ า, บาวว่าพ่อท่านมรณะพ่อท่านตายอายุ79ปีหลวงพ่อจะไป งานของของกับผมพ่อของผมได้ไหมเราก็อืมพอไปถึงแล้วก็สี่ห้าหกโมงสี่โมงห้าโมงกว่าๆหรืออ้าว ถ, ถ้าวันพรุ่งนี้คงไม่มีเวลาฉันยังหันเสร็จแล้วก็คงจะมาขึ้นเครื่องกับอุดรหลวงพ่อก็เลยตกลงเอาไปโอ้คิดว่ามันจะใกล้นะไกลมากๆเลย ร้อยกว่ากิโลจากสนามบินภูเก็ตวิ่งลงไปพังงาแล้วก็ไปงานศพของท่านพอไปถึงในญาติโยมยังเต็มอยู่ประมาณสักสามสี่ทุ่มสามทุ่ม ก, กว่าเกือบสี่ทุ่มญาติโยมยังรอคอยที่นั่นจากนั้นหลวงพ่อเขาก็ไม่ได้สวดอะไรละเขานิมนต์หลวงพ่อขึ้นเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ได้แสดงธรรม พอสมควรจ า, ากนั้นก็พอเทศเสร็จแล้วก็อมอบอะไรให้ท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้เรามาแบบกระทันหันเรามาคราวนี่ล่ะไม่มีอะไรมาแจกราาศรัทธาญาติโยมพระลูกหลานพอเทศจบแล้วก็ลงพ่อให้ชินให้พรแล้วก็กลับมาหาที่พักวิ่งมาหาที่พักที่ยวนพึ่งที่วัดทันดุงที่ตรงไปที่จะทอดผ้าป่า วันที่สนะิบห้าลวงพ่อลงไปกลับมามาถึงยวนพึ่ง เ, เที่ยงคืนกว่านะเห็นไหมหลวงปู่หลวงตาของลูกห ล, กลานทั้งหลายเนะี่ยอายุเจ็ดสิบนะเดี๋ยวนี้นะ่ะทะเลถลายแลกใช้แบบอุดตลดเลยว่างั้นแนตะ่นั่งรถโอ้ ก็ไปถึงวัดของท่านุงเที่ยงคืนกว่ากว่าจะได้นอนเกือบตีหนึ่งพงษ์ในเช้ า, เาก็บินธบาตเจ็ดโมงกว่าเกือบแปดโมงคนมันเยอะเยอะมากเลยนะพี่น้องนานนา น, นานทีหลวงพ่อไม่ได้ลงภปกเก็ตัึงปีไม่ได้ลงภูกเกตตั้งแต่ปีห้าสามประหลงไปรับที่ดินที่วัดหลังสารที่เขาถวายที่ดิน หลวงพ่อก็รับแล้วก็มอบให้วัดหลังสารศรัทธายาติยมเก่าแก่ของภูเก็ตหลวงพ่อรับเสร็จแล้วก็ไม่ได้ลงไป พ, พอปีห้าสี่งานหลวงตาใช่ไหมละ่ะหลวงตามรรณภาพพอเดือนสิบสองเท่านั้นน่ะหลวงปหลวงตาก็ป่วยเดือนพิจิกาหลวงพ่อจำจาได้ว่าวันที่สิบเอ็ดสบสองพฤจิกาหลวงตาเริ่มป่วย แล้วก็จากท่านทัานก็มรณะภาพปีทั้งปีปีห้าสี่พอปีห้าห้านี่ก็ดูแลกิจการที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ยุ่งเหยิงวุ่นวายพอปีห้าหหลงปู่จามก็มรณะภาพอีกแล้วก็ดูแลงานหลวงปู่จามปีพอปีห้าเจ็ดปีที่แล้วก็ประชุมเพลิงพระราชทานเพลิง สรีละของหลวงปู่จามก็จะเสียจได้กับเหนื่อยพอสมควรไม่อยากจะไปไหนอพอปีนีปีห้าแปดนับๆดูข้อมือดูแล้วก็โอ้หลายปีพอสมควรไม่ได้ลงไปภูเก็ตนะเพราะนั้นไปข่าวนี่ก็รู้สึกวันลูกหลานศรัท ธ, ธาญาติโยมมาลุมาตุ่มอุ่นอนหนาฟ้าข้างฮะ จากนั้นพอฉันขันเสร็จแล้วก็ลุงพอ่อก็ได้กลับมาเคลื่อนเครื่องมาหลงที่อุดอรเกือบมืดเกือบค่ำนะก็มาพักที่วัดรวมธรรมพุ่งในเช้าตื่นเช้าก็ไปที่วัดโรงใหญ่บ้านโรงใหญ่อำเภอเสียงหวางอำเภอเสียงตะมนตเสียงหวางอำเภอเ อ, อาเภอเพน จังหวัดอุดรธา น, นีของเราเนะี่ยไปก็ไปงานผูกพัทสิมมาฝังลูกในเม็ดแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็โอ้งานใหญ่แต่ตาตาไม่จริงงานใหญ่ถ้าหากว่าเป็นงานกรรมฐานก็ตัวสรุปแล้วก็คือเป็นงานเป็นงานพุทธพาณิชไปสักหน่อย ที่หลวงพ่อไปเห็นนะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปถ้าจะไปพูดก็เหมือนกับตีปาน่าชัยไปพูดก็ไม่เหมาะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อไปเห็นแล้วก็ไม่สบายใจตามแนวแถวของกรรมฐานถ้าเป็นกรรมฐานแล้วก็ควรจะทำแบบเรียบง่ายตามแนวปฏิปทาขององค์หลวงตาถ้าเราจะยึดแนวแถวองค์หลวงตาเอา ทาเราจะยึดทางฝ่ายพุทธภาณิชย์ทางโลกเราก็ทําแบบทางโลกไปแบบทางปริยัตไปก็ได้กันได้ทั้งสองอย่างในทางเลือกแต่มันจะเป็นกรรมฐานก็ไม่ใช่จะเป็นปริยัตก็ไม่ใช่จุดนี้เป็นจุดที่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อยากจะบอกกล่าวย้าเตือนพวกน้องๆเหมือนกั้นั้นอ่ะ ให้ยึดแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาไว้ดีกว่านพอลูกติดลูกหาเราเป็นลูกสิดลูกหาหลวงตาเครื่องภายนอกเราจะไปสะแสวงหามากโกนจนเกินไปมันก็ไม่ดีแต่หลวงพ่อไปเห็นแล้วก็อเอา้าฟังฟังดูทําผ่านไปแต่เห็นด้วยไหมสบายใจด้วยไหมก็ไม่ถึงถึงขนาดนั้น แต่ว่าจะขัดเครื่องไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นอีกเหมือนกันแต่เป็นกาวกรย้ำเตือนกล่าวถ้าเป็นไปได้นะน้องๆทั้งหลายให้อยู่ในแนวแถวขององค์หลวงตาไว้เนี่ยจะดีกว่าถ้าเป็นลูกศิษย์หลวงตานะ <c oughs> ถ้านจะถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงตานอะหลวงพ่อก็ย้อนมาหาหลวงพ่ออีกเหมือนกันเออพอเรา เ, เคยแจกพระ ให้ศรัทธาญาติโยมหรือเปล่านะก็เลยลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อเนี่ยเออก็เลยเอ้าก็หลวงพ่อก็ยังแจกพระอยู่เนี่ยจะาอาวเอ่อบางทีสงกรานเนี่ยหลวงพ่อก็ได้รับเหรียญจากครูบาอาจารย์มาเอ่อรับพระผงมาเนี่รับพระมาจากทางวัดบวรมาเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์ไหนที่เอามาหลวงพ่อก็เลยเอออ้าว แจกเป็นออกไปกราบไปไหว้เป็นที่ระลึกเนื้อลูกหลานเนื้อยามขับขันยามคิดทุกูกทุกใมาให้ลึกถึงพระถึงเจ้าเน้อเนี่ยเอาแจกหลวงพ่อก็เลยแจกเนี่ยแจกพระแต่หลวงพ่อไม่เคยทำะนะครับนักทายญาติโยมตั้งแต่ระลึกย้อนหลังมาเนี่ยล้มพ่อไม่เคยอนุญาตให้ใครผู้ใดใครผู้หนึ่งสร้างพระหล่อพระนะ หอเหรียญของหลวงพ่ออีกต่างหากหลวงพ่อไม่เคยเอไม่เคยพูดไม่เคยคิดว่าจะเป็นพุทธพาณิชย์มั้งนั่นแหลจะเป็นธรรมมธรรมพาณิชย์มั้งนั้นแะละธรรมวานิชธรรมพาณิชยนะ์จะเอาธรรมแหละแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนศรัทธาใจโยมไม่ขายต่างหากฟรีนะอยากหลวงพ่อพูดตอนเชาน้าฟรีตลอดนะเพื่อให้พี่น้องประชาชน อย่างน้อยก็ให้มีขันติคือความอดทนอย่างเดียวน่นนะหลวงพ่อก็พอใจแล้วนะแล้วก็หลวงพ่อเคยสมัยองค์หลวงตาหลวงตาเคยแจกไหมหลวงพ่อเคยเห็นอยู่กับท่านเวลาเป็นเวลาสิบกว่าปีสิบสีป่ปีหลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นท่านแจกพระแจกเหรียญอีกเหมือนกันนะหรือว่าหลวงพ่อออกมาแล้วออกมาจากท่านแล้วเนะี่ย ท่านอาจจะแจกหลวงพ่อกัย่งมองไม่เห็นอาจจะสายวีดีโอดูก็ได้นะอแต่ละเช้าเนี่ยมีไหมหลวงพ่อก็อยากจะเห็นเหมือนกันหลวงพ่อหลวงตาแจกพระแจกเหรียญเนี่ยหลวงพ่อก็ยังมองไม่เห็นอีกมีหรือเปล่าอแต่หลวงพ่อเนี่ยเคยมีไหมที่เขาถวายหลวงตามีนะหลวงพ่อก็เคยได้เป็นกระปุกเหมือนกันนะ สมัยหนึ่งท่านองค์ก็บนตีดตร็อเร์เาท่านสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านมากราบองค์หลวงตาหลวงตาครับสรงพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมอยากจะทำเหรียญเพื่อแจกผู้ที่คนคู่คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลวงตาจะอนุญาตไหมหลวงตาก็บอกถ้าเป็น ของพ่อแม่ครูบาอาจารนยะ์ะท่านก็ไม่ว่าอะไรดังนั้นพวกท่านองค์ขมันตีกับคณะท่านก็เลยทำทเหรียญขึ้นมาสามเหรียญเหรียญทองเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญเหรียญเงินสีเงินไม่ใช่เงินหรอกทองแดงก็คือเป็นทอง่อว่าสีทองคำน่ก็คือชุบให้เป็นสีทองแต่เป็นลักษณะเหรียญแปดเหลี่ยมจากนั้นเขาก็ทำมามาก็ มีหลวงปูฟัน่นหลวงปูขาวจำมันอะอยยังมีอยู่นะหลวงตาเอท่านก็นั้นท่านกับเมตตาปกเสกนะพูดง่ายๆอท่านก็ไม่ได้ปลกเสกหลวงปูมั่นนะท่านตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์สุดแท้แต่ท่านจะนึกยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะหยั่งถึงท่านได้แต่ท่านเห็นนั่นหนักนั่งรับตาเออ เสร็จแล้วก็อท่านองค์บนตรีท่านก็เอาไปถวายครูบาอาจารย์จากนั้นท่านเอาถวายหลวงตานะถวายหลวงตาเป็นทงถุงเหมือนกันหลายถุงเหมือนกันนะอหลวงพ่อก็เห็นอยู่ในกุฏิท่านโหนานอยู่อพอต่อมาในท่านก็ออท่านไม่แจกนะก็แปลกเหมือนกันนะอทั้งแถบทั้งที่เป็นเหรียญหลวงปู่มันแท้ๆเป็นอาจารย์ของท่านท่านไม่แจกท่านเออไปเอาไปไหนเข้าไป หลวงพ่อก็เลยได้มาเป็นกระปุกเนะี่ยท่านเยืน่นเจ้าคุณเยืน่นสุรินเนียังต่อว่าหลวงพ่อพอได้มาท่านเยื่นก็มาได้สนใจเอามาให้หลวงพ่อหลวงพ่อมากระแจกดะมั่นกันนะเนี่ อ, อ, อรู้สึกว่าเป็นที่สนใจของคนมากทีเดียวเละเหรียญรุ่นนี้ว่างั้นนะอะเดิมพ่อก็แจกแจกแจกไปท่านไม่แจกหลวงตานะแต่ตัวหลวงพ่อก็เลย เห็นให้พระให้ยอมให้ใครต่อใครมันนะใครมากกว่าให้ไปเหรียญแปดเหลีย 8, หล่ยมเหรียญหลวงปู่มั่นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นที่สร้างที่อายุ ป, ปี2อ1 8มั่งปิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นนะอันนั้นแหะข่าวนั้นแหะข่าวหนึ่งที่หลวงพ่อได้เหรียญจากองค์หลวงตานะจากนั้นองค์หลวงตาทำกับไปโนดีพระธาตุจอมกิติเชียงรายวันเชียงใหม่เชียงรายนะไปกับเจ้าพุกุลสมเด็จ เขาก็รอเหรียญมาอีกเหมือนกันแต่ไม mm ่ใ hmm. ช่เหรียญนั่นนะอันนี้เหรียญเป็นเหรียญผ้าผงอ่ะพอได้มาเขาก็หลายถุงเหมือนกันเขาถวายท่านท่านก็ไม่แจกเหมือนกันะท่านก็โยนท่านก็ให้หลวงพ่อน่ะอหลวงพ่อก็มาก็เลยแจกหลวงพ่อก็คงจะเป็นติดนิสัยแจกเหรียญข้านั้นมามาถึงจุดนี้่หลวงพ่อยังคิดนนะพอได้เหรียญมาหลวงพ่อก็เลยแจกเออพอแจกมาก็เลยนี่แหละเอแต่หลวงพ่อไม่เคย เคยทนะอ่าไม่เคยไม่เคยทำไม่เคยสร้างเองแต่เห็นพวกน้องๆทั้งหลายหบางองค์คนนั้นอ่ะเออมันก็ไม่ถึงกับขายเราให้เช่าเหมือนกันเถอะเช่าเช่าพระเออแต่หลวงพ่อเเออไม่ดีแล้วลูกหลานขนาดสารณะนะที่พึ่งของตนเองยังขายได้เออขายอย่างอื่นไม่ต้องว่านขายหมดทุกอย่างนะ ขายกระทั่งสรณะพุทธังธรรมังสังขังสารนางคัตฉามิเนี่ยขายกระทั่งสารณะของตนเองมันก็ไม่น่าจะถูกนะถ้าแจกแจกเพื่อหวังอย่างอื่นแจกเพื่ออะไรเอาไปกราบไปไหว้เอาไปเคารพสักการะบูชาเนอะอันนี้ก็น่าจะถูกหลวงพ่อว่านะอแต่ว่าตามไม่จริงหลวงพ่อแกล้งแจกที่ ได้บอกได้กล่าวให้กับคณะตถาญาติโยมลูกหลานได้ฟังนี่แหละเพราะเดี๋ยวนี้กำลังมากมายไม่รู้อะไรต่อไม่อะไรเรื่องพุทธพาณิชย์นี่หน้าคิดหน้าห่วงเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงหลวงพ่อพูดกล่าวนี่ก็อาจจะไม่สบายใจอาจจะกระเทือนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะแต่ถึงยังไงก็เถอะหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดเป็นธรรมนะพูดเป็นธรรมไม่ได้ เอารังแกเบียดเบียนผู้ใดใครผู้หนึ่งเอถูกต้องไหอที่นําถึงนั่นมาอย่างที่หลวงพ่อพูดเเออถ้าหากลุ่มที่หรืออไม่แสวงหาผลกําไรก็คงโอ้หลวงพ่ออินี่พูดถูกะอแต่พื่อีกกลุ่มหนึ่งโอ้หลวงพ่ออินพูดได้ยังไงพูดอย่างนั้นมันกระทบกระเทือนน่ะคงจะว่าอย่างนั้นก็มีอีกเหมือนกันนั่นแหละเพราะนานาจิตตังน า, นานาทัศนะะเอแต่ถึงยังไงก็ตาม ผู้ใดเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออินเนี่ยห้ามเด็ดขาดถ้าว่าผู้ใดก็าตามนะท่าทำรูปทำเหรียญของหลวงพ่อเพื่อไปจําหน่ายถ้าหลวงพ่อรู้เราหลวงพ่อจะขีดเหมือนกับช็อกกันมดอย่างนั้นอ่ะไม่ให้เข้าวัด <c oughs> การมดการการวัดไว้เลยนะอยากเข้ามาใกล้นะเดี๋ยวมันเปรอะเปื่อนมันเปรอะเปื้อนหลวงพ่อมันศกกระปลกนะเราจะไปสะสแสวงหาอะไร บวชมาเพื่ออะไรบวชมาเพื่อเงินใช่ไหมบวชมาเพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อจะได้วัตถุอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกบวชมาเพื่อหวังมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานไม่น่าจะทำอย่างนั้นอีกเหมือนกัน อ, อย่างลูกปูล่าพูด้าเงินไม่บริสุทธิ์อย่าเอามาเราไม่กินเราไม่ใช้เงินไม่บริสุทธิ์เราจะกินดินเราจะกินใบไม้แห้ง ดีกว่าที่กินเงินใช้เงินที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นนี่หลวงพ่อฟังหลวงปู่ล่าแล้วหลวงพ่อจึงจำไม่ลืมถึงใจฮพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสิ่งใดก็ตามไม่เป็นศีลไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ถูกท่องตามคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมของ พ, พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนะ่พวกเราควรจะมองฮดูมองดู อแนวแถวปฏิปทาของท่านพาดําเนินอย่างไรวิดีโอของท่านก็ฉายด้วยสิขนาดที่ท่านป่วยขนาดนั้นอ่ะท่านยังยกเขาขึ้นข้างหนึ่งบาดของท่านก็ยังมาไว้ข้างหน้าท่านยังฉันในบาดให้เห็นอยู่ลูกหลานทุกวันเนี่ยทิ้งบาด ท, ทิ้งบริขารเาดูดูแล้วมันยังไงยังไงอีกเหมือนกันนะพูดทางนี้ทั้งนั้น เ, เราไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเองเด้ พูดให้ลูกให้หลานให้พระให้เดนให้ทุกคนได้ฟังท่าไม่เชื่อลงพ่อเขาสายวิดีโอย้อนหลังดูก็ได้มีตั้งเยอะแยะวิดีโอขององค์หลวงตานเนวางไปแล้วเมื่อดูเพื่อเห็นแล้วก็นำมาประพฤติธปฏธิบัติอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างที่ดีที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินดำเนินการอย่างไรดาเนินอย่างไรเราก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของท่านไม่ดีกว่าเหรอ แต่เราอยากจะเป็นลูกศิษย์ของท่านแต่เราแหวกแนวนะมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะหลวงพ่อว่านะตอนนี้ไปวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งนะ mm. แนวหนึ่งนะวันนี้นะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร